พระุไร เ, เจ้าตรัสออกไปว่าเมื่อตั้งปัญหาอย่างนี้ก็จะได้คําตอบอยางนี้คือคือทำไมชาติอย่างหนึ่งซึ่งรู้แจ้งอันนี้ท่านใช้คำว่าวิญญาณนั่นะครับวิญญาณนี่แหละทรไมชาติอย่างหนึ่งซึ่งรู้แจ้งแสดงไม่ได้เป็นอนันตามีรัศมีโดยรอบมีรัศมีโดยรอบ บินน้ําไฟลมไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาตินี้ธรรมชาตินี้อคือพรนิพพานนะครับอันนี้คือพริพพานเดี๋ยวผมจะอธิบายเล็กน้อยอุบาทายาจะรูปก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาตินี้นําได้รูปดับไม่เหลือในธรรมชาตินี้เพราะวิญญาณดับนา ม, มารูปย่อมดับไม่เหลือในธรรมชาตินี้ เหนกันค่อนข้างยากไปหน่อยนะครับ mm hmm. ทีนี้ผมจะขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับอา่าธรรมชาติอย่างห น, น, นึ่งที่แจชัดคำนี้ต้องใช้คำว่าวิญญาณหนังวิญญาณหนังนิรสนางก็แสดงอไม่ได้แสดงไม่ได้แสดงให้ดูไม่ได้ อานิทัศนังไถ้าเผยแสดงได้ก็เรานิทัศนังก็คือนิทัศ ก, การนั่นเองที่เราใช้คำว่านิทัศ ก, การเผยแสดงได้แสดงให้ไปดูได้แต่นี้เป็นอานิทัศนังเผยแสดงไม่ได้อันนั้นต่งไม่มีที่สิ้นสุดแต่คำว่าวิญญาณังที่กล่าวถึงในที่นี้ท่านหมายถึงนิพพานนิพพานเพราะฉะนั้นเทำอย่างนี้เป็นมีความหมายทพิเศษ คำว่าวิญญาณในตรงนี้ท่านหมายถึงนิพพานแสดงให้ดูไม่ได้ต้องรู้แจ้งต้องเข้าถึงด้วยตนเองอนันตังนั้นไม่มีที่สิ้นสุดแต่ว่าไม่ทร่องไม่เต็มไม่ไม่มีขอบเขตให้มีขอบเขตทางพระพุทธเจ้าด้านปรัชในที่ว่างแง่ว่านาอุรัตตังนาอูนัตตังไม่เต็มไม่ทร่องคือว่า ได้จะมีที่สู่เป็นอนมากเข้าสู่อนุปาจิเนสนุพานเป็นอนมากแล้วแต่นิพานก็ไม่เคยช่องและไม่เคยเต็มมีรัตสมีโดยรอบนี่สัพพโตปะพังสัพพโตปะพังประพัทงที่แปลว่ารัตสมีนะครับปักพานีะ่ะประพาหรืปักพารพาัตสมีมีรัตสมีโดยรอบท่องใสโดยรอบแต่ อาจารย์าทัานได้อธิบายเป็นปะฟังปะฟังคือนาำประปานะประปานะปะปังคือจะปาป ะ, ปะปังนี้แปลว่าท่าลงในที่นี้หมายถึงท่าลงมีท่าลงโดยรอบใช้ใช้สะใหญ่นะครับเรียบเหมือนสะใหญ่ที่เป็นวงกลมสะใหญ่มีประดิมณฑลปฏิมณฑลเป็นวงกลมกลง ใครจะลงทางไหนก็ลงได้ก็ลงไปสู่สะนั่นไปดื่มไปอาบไปใะได้ไปตักน้าในสระได้ไม่ใช่ลงทางเดียวลงได้โดยรอบกับพระโภระตังมีทางลงโดยรอบมีกรรมฐ า, านมากมายมีอะไรตัวอะไรมากมายที่จะทำให้พุทธบริสัทธนลงไปสู่นิพพานได้โดยรอบ พระไตรถนัดจะลงทางไหนก็ลงทางนั้นอาจจะไปต้องทับกับเต็มกันเลยก็จะต้องเป็นทางนี้ทางที่ฉันลงนี้เหล่านั้นทางอื่นไม่มีมันต้อไม่ได้ในสมัยพุทธกาลนี่ครับบางคนเราฟังเทศทีเดียวก็ได้สําเร็จแล้วอบางคนก็ไปนั่งภาวนาแไ่เดียวนึงก็สําเร็จแล้วบางคนก็อันนี่ก็มีข้อความดูในสวิมุตาตายาตะนาสุไปดูให้ละเอียด เราให้ดีบางคนก็ได้สําเร็จด้วยการฟังบางคนก็ได้สําเร็จด้วยการสัตยายบางคนก็ได้สําเร็จโดวยวิธีนั้นวิธีนี้ อ, อมีวิธีการมากมายสัพท์โตปะปังมีทางลงโดยรอบอนี่ก็อดินน้ำํำไฟลมไม่ตั้งอยู่ในธรรมชาตินี่คือพระนิพพานไม่มีดินน้ำํำไยลม ในเนี่ยอุปาทานรูปก็ตั้งอยู่ไม่ได้ในธรรมชาตินี้คือเป็นนิพพานนา้ำในรูปย่อมดับไม่เหลือในธรรมชาตินี้ในธรรมชาตินี้ก็คือว่านาลล้ำในรูปก็ดับไม่เหลือในในิพพานในส่วนที่เป็นอนุปานที่เสสนิพพานก็ดับคันไปแล้วคเพราะความต่อไปว่าเพราะวิญญาณดับน้ำในรูปย่อมดับไม่เหลือในธรรมชาตินี้เหมือนกันไนะอ้วิญญาณตัวนี้กับวิญญาณตัวต้นมีความหมายไม่เหมือนกันนะครับ วิญญาณตัวนี้ก็คือวิญญาณวิญญาณนี่แหละวิญญาณที่เรารู้จักวิญญาณจักขูวิญญาณโสตวิญญาณฐานาวิญญาณชีวาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณนี่แหละหรือว่าปฏิสนธิวิญญาณอะไรก็แล้วแต่ทําหน้าที่อย่างไรทําหน้าที่อย่างไรก็ทําก็เรียกไปตามนั้นเรียกไปตามที่แร่งที่เกิดอวิญญาณนี่แหละมันก็มันก็ไฟ เกิดจากแกลเราเรียกว่าไฟแกลบไฟเกิดจากไม้เราเรียกว่าไฟไม้ไฟเกิดจากเหล็กก็เรียกว่าไฟเหล็กออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับมันก็เรียกไปตามเชื้อใแหล่งที่เกิดเขาคือไฟนั่นแหละเราวิญญาณนี่มันกันเกิดทางตาก็เรียกจากกูวิญญาณเกิดทางหูเรียกว่าโสตวิญญาณะทําหน้าที่ปฏิสนธิเรียกปฏิสนธิวิญญาณอ ทหน้าที่จุติขึ้นจากภพเก่าก็เรียกว่าจุติวิญญาณก็วิญญาณเหมือนไฟอันนี้นะครับอ <c oughs> อันนี้คือพระพุทธภาษิตที่จัดกับผู้ฟังคือภิกษุรูปนั้นที่จัดปัญหาต่อปัญหาจากภิกษุรูปนั้นทีนี้เมื่อเมื่อพระพุทมีพระเจ้าจัดพระพุทธพจน์นี้จบลงแล้ว เกวัตตาเกวัตตาคนที่ชอบอิทธิปาฏิหารเนี่ยนนะต้องการให้แสดงอิทธิปธาฏนะิหารก็พอใจมีความพอใจชื่นชมต่อพระพุทธภาสิเชื่นชมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลากลับไปคือว่ า, <c oughs> อาคือว่าเขาเขาได้สิ่งที่ดีกว่าแล้วตอนนี้เขาก็ไม่สนใจเรื่องอิทธิปธาฏิหารแล้วไม่สนใจ ขัตติในพระสูตรนี้มีมากนะครับคือคนส่วนมากเนี่ยชอบฤิเตะปฏิญาณอยากให้พร ะ, สะแสดงฤทธิ์เห็นเป็นของแปลกมหาศิจันนิยมนับถือพระหรือคนเช่นนั้นว่าเก่งกล้าสามารถแล้วก็ลาบสักการะแล้วก็ชื่อเสียงก็มักจะไหลมาสู่บุคคลเช่นนั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ส่งสรเสริญไม่ทรงนิจชมจัดว่านักเล่นกลก็ทําได้แต่ก็ไม่เป็นไปเพื่อความสิ่นทุกข์ ตรงนิยมและสัญเสริญานุสาสนิปาฏิญาณคือคำสั่งสอนที่บาปที่บุญที่คุณที่โทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดีกว่าประเสริฐกว่าเพราะว่าบุคคลนำไปปฏิบัติแล้วก็ได้ประโยชน์จริงทำชีวิตในราบรื่นสงบสุขได้จริงพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยครับยั่งยืนมาได้ จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะความอศัศจรรย์แห่งคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เองที <c oughs> นี้ก็ขอย้ําเรื่องนี้อีกนิดหึงหนะครับ เ, เรื่องพุทธบริษัทผู้ที่นับถือพุทธศาสนาในบางคนบางพวกก็เที่ยวสแสวงหาคําตอบในข้อที่ตนสงสัยไป ท, ทั่วทุกทิศแต่ก็ไม่ได้รับคําตอบเป็นที่พอใจ ไปสำนักนั้นก็แล้วไปสำนักนี่ก็แล้วสำนักโน้นก็แล้วแต่ก็จับหลักอะไรไม่ได้แต่เหมือนนกหาวฝั่งในที่สุดก็กลับมาสู่พุทธสำนักคือกลับมาศึกษาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเอาจริงเอาจังแ้วก็ยังมีระบบจิงจับหลักได้ได้รับความพอใจสงบแล้วก็หยุดได้แต่บางทีคาตอบหรือผู้ที่ให้คาตอบได้ก็อยู่ใกล้ๆตัวนั่นเอง แต่ก็มองผ่านไปเหมือนภิกษุที่อยู่ในสำนักของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ทูลถามข้อสงสัยของตนกับพระพุทธเจ้าเที่ยวไายถามเทวดาทุกชั้นไม่มีใครตอบได้ไม่มีใครตอบได้นี่ครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับท <c oughs> ีนี้ก็ <c oughs> เออเ่อเ เรื่องนี้ก็เรื่องที่ผมจะนํามาเล่าประกอบในเรื่องของออนุสาสานีปาฏิหาริทิปาฏิหารแล้วก็อาเทศนาปาฏิหารก็มีเพียงเท่านี้นะครับอทีนี้ก็พูดกันถึงเรื่องปัญญาต่อไปนี่อยู่ในปัญญาตาอนุสาสนีปาฏิหารมันทำให้เกิดปัญญาทีนี้ปัญญานี่เป็นคุณธรรมที่สูงสุดเป็นคุณธรรมที่สูงสุด มีพระพุทธศาสนสุภาษิตกล่าวไว้ว่าผู้ฉละทั้งหลายกล่าวว่าปัญญาประเสริฐที่สุดหุดดวงจันทร์ในหมู่ดาวแล้วก็ว่านัตตากล่าวว่าผู้มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดดังนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นต้นเพราะนั้นปัญญาก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างใหญ่หลวง เมื่อก่อนนี้เราเคยชักชวนพุทธบริษัทแล้วเน้นกได้นนเรื่องทานเรื่องศีลแต่ว่ามาถึงเวลานี้ก็คิดว่ามันเป็นเวลาที่สมควรอย่างยิ่งในการที่จะชักนําบุคคลให้ดําเนินสู่ปัญญาขึ้นมาถึงปัญญาคนมีปัญญานี้จะอยู่อย่างสงบในยามทุกอา น, น, อ น, นิสงส์ที่อบรมปัญญาได้ดีแล้ว ก็จะอยู่อย่างสงบในยามทุกข์แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์ในยามสุขนั่นคือวิถีชีวิตของคนดีและคนมีปัญญาแต่หนักอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรร้ายแรงถ้าเราไม่รู้สึกว่าร้ายแรงเมื่อเรามีปัญญาดีแล้วปัญญาจะทำหน้าที่ของมันเองคล้ายกับว่าเราเอาเชือใส่ลงไปในกล่องไฟ เราไม่ต้องขอร้องให้ไฟไม่เชื่อก็ได้ไฟมันไหม้เองมันทำหน้าที่ของมันเองเรามีหน้าที่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตในชีวิตของเราแล้วปัญญามันจะทาหน้าที่ของมันเองในการที่จะตัดสินในการที่จะบอกว่าควรจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรท่านผู้ฟังที่เขาหลบครับ เวลาของผมเลย อ, อีกนิดเดียวครับไม่มีไม่มีเวลาพอที่จะพูดอะไรต่อไปอีกแล้วนะครับแต่ว่ามีเรื่องที่จะเกินให้ทราบนิดหนึ่งนะครับคือว่าได้ทราบได้ทราบจากทางสถานีผู้ประสานงานทางสถานีนี่แหละครับผลมาสองเนี่ยครับว่าผมจะมีรายการต่อไปในวันศุกร์ในวันเสาร์เช้านะครับ วันเสาร์หกโมงประมาณหกโมงห้านาทีแล้วก็วันอาทิตยเ์เวลาหกโมงห้านาทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คงจะคงจะเริ่มได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็เป็นรายการที่เพิ่มเข้ามาอาจากวันจากวันองนังคารวันนี้แล้วก็จะมีวันเสาร์ตอนเช้าหกโมงห้านาที แล้วก็วันอาทิตย์หกโมงห้านาทีทุกเสาทุกอาทิตย์นะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่สามเดือนตุลานี้เป็นต้นไปนะครับก็ท่านที่ต้องการทรมะลีลานี้ในรถนี้ก็ติดตามได้นะครับวันนี้ก็เวลาของผมหมดเพียงเท่านี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางสถานีทุกท่านแล้วก็ขอ ขอวยพรให้ท่านผู้ฟังและเจ้าหน้าที่ทางสถานีและทุกท่านที่รับฟังอยู่ได้รับความสุขความเจริญทั้งทางโลกและ ท, งทงางธรรมตลอดไปสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือเสียงธรรมจากมหาวิทยาลายัยมหาเมกุตราชวิทยาลายัา ย, าลายนะครับทุกวันอังคารครับเวลาสองทุ่มกว่าๆครับผมวสียยินทัสระ จะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการวิเคราะห์ธรรมก็ได้วิเคราะห์ธรรมมา <c oughs> หลายหัวข้อแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็มาถึงเรื่องปัญญากานะครับยังไม่จบพูดเรื่องปัญญากามาหลายครั้งแล้ว <c oughs> แล้วก็สองวันมานี้ได้ฟัง รายการแสงเทียนเสียงธรรมของคุณเคนสีเพิ่งเพึ่งจบไปสักครู่นี้นะครับนะตั้งแต่เมื่อวานก็วันนี้ออตอนที่สิทโนโ่ไปเรียนเซนนี่ยนะรู้สึกว่าสะใจดีมากคือว่ามีข้อความมีอะไรเนื้อหาสาระที่บอกให้คนมีปัญญา อย่าถูกหลอกง่ายๆหรือว่าอย่าไปอย่าไปเชื่อคนเล่นกลหรือว่ า, อาพระที่ทำอะไรแปลกๆที่คิดว่าจะศักดิ์สิทธิ์ตามที่คนเพนสีได้อ่านหนังสือของท่านเทราทธาตท่านิตธิ์โง้ไปเรียนเซนอัน น, น, นี้ก็ดีนะครับคือว่าทำให้คน เ, เปิดหูเปิดต า, าได้ ผูตาจะว่างขึ้นทีนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับมีมีคนโทรมาถามนะเรื่องท่าจำนำพันษาเรื่องการออกพันษาเรื่องประวะราานานี่ผมไม่ได้พูดถึงเลยครับเพราะว่ามาเปิดเปิดวิท ย, ยุฟังดูก็รู้สึกว่าพูดกันเยอะแล้วนะแทบจะทุกรายการ ทีนี้ก็มีคนหนึ่งก็โทรมาถามเรื่องผ้าจำนำพรรษาว่าคือผ้าอะไรผ้าจำนำพรรษานี่เป็นผ้าที่เขาถวายทายกไปถวายพระเมื่อออกพรรษาแล้วนะครับถวายหลังจากปวารณาแล้วหลังจากวันปวารณาคือหลังจากวันออกพรรษาแล้ว <c oughs> ก็เลือกผ้าจำนำพรรษา แปลมาจากคำบาลีว่าวัดสาวาสิกะสาดกวัดสาวาสิกะสาดกท่านจำไม้ให้ดีนะฮะวัดสาวาสิกะสาดกตอนนี้สำหรับผ้าที่ถาวายก่อนข้าวพันษาหรือในวันเข้าพันษาคือถาวายได้หนึ่งเดือนก่อนข้าพรรษาตั้งแต่กลางเดือนเจ็ดไปจนถึงกลางเดือนแปด อันนั้นเขาเรียกว่าภาพน้ําฝนภาพน้ำฝนใช้ภาษาทางวินัยว่าวัดสิกะสาดกวัดสิกะสาดกผ้าจำำํานวนพรรษาซึ่งจะต้องถวายที่จะถวายหลังพรรษานั้นเรียกวัดสาวาสิกะสาดกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน <c oughs> อนีที่ที่น่าตกใจก็คือว่ามีคนบอกว่าไปถวายผ้าจํานำพรรษาไว้ก่อนข้าวพรรษาเนียนี่ก็กลับกันแล้วนะฮะไปถวายผ้าจํานำพรรษาไว้ก่อนข้าพรรษาแต่เมื่อออกพรรษาแล้วก็ต้องเอาของไปถวายอีกไปถวายพระถวายอะไรก็ได้คล้ายๆไปถ่ายไปถ่ายเพราะว่า ไปถวายผ้าจำนำเอาไว้ในพรรษาแล้วก็ต้องไปถ่ายออกแต่ถ้าเผื่อไม่ถ่ายแล้วก็จะทํามาค้าไม่ขึ้นอธรรมมาค้าขายไม่ขึ้นอ <c oughs> ค้าขายก็จะขาดทุนไม่ได้กําไรอนี่หลอกลวงนะครับถ้าถ้ารู้แล้วพูดก็แปลว่าหลอกลวงแต่ถ้าไม่รู้แล้วก็พูดก็พูดด้วยความกล่าะพูดด้วยความไม่รู้ วัดไม่ใช่โรงรับจำนำ <c oughs> วัดผมบอกคนที่โทรมาว่าวัดไม่ใช่โรงรับจำนำที่เราเอาของอะไรเข้าลงจำนำแล้วจะต้องไปถ่ายเวลามีเงินก็ต้องไปถ่ายคืนไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> วัดไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> แล้วก็ไม่ถูกต้องด้ว ย, ยผ้าอับน้ำฝนอันถวาย ที่ถวายก่อนข้าวพรรษาหรือในวันข้าวพรรษาคือวันขึ้นสิมาค่ำเดือนแปดหรือว่าก่อนข้าวพรรษาได้หนึ่งเดือนท่านเรียกว่าผ้านำผลพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตอันี้ก็ล้างพรรษานี้ก็เป็นผ้าจำนำพรรษาคอวนี้มีเงื่อนไขอยู่อันหนึ่งว่าถ้าเผื่อยังไม่ทานออกพรรษา ทรงอนุญาตให้รับผ้าที่มีผู้จะถวายก่อนออกพรรษาได้สิบวันเขาเรียกอัดเจกะจีวอแปลว่าจีวอรีรบตรวนหรือผ้ารีบตรวนเช่นว่ายังไม่ทันออกพรรษาทายกต้องการจะถวายผ้าจํำ น, ำพนาพรรษาหรือผ้าวัด ส, สาวาสิกะสาดกเนี่ยนะฮะถวายสําหรับพระที่อยู่จำพรรษาครบแล้ว ในวัดนั้นครบสามเดือนแล้วแต่ว่าเขามีเหตุจำเป็นที่อยู่จนถึงออกพรรษาไม่ได้เขาจำเป็นจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปต่างประเทศเดินทางไปที่ไกลไม่สามารถจะกลับมาอีก <c oughs> ในระยะเวลานั้น <c oughs> ก็ส่งอนุญาตให้ถาหวายได้ สิบวันก่อนออกพรรษาสิบวันก่อนออกพรรษานะครับก่อนออกพรรษาสิบวันแล้คราวนี้กรณีพิเศษเที่ว่าเนี่ยเขาเรียกอย่อัดเจกะจีวอดอัดเจกะจีวออัดเจกะจีวอแปลว่าจีวอรีบตรวจในกรณีเช่นว่าถ้าฮันต้องการจะไปไปในกองทัพหรือว่าออกศึ าต้องการจะไปรบทหารต้องไปรบนี่แต่ว่ามีศรัทธาจะถวายท่าแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ให้ถวายก่อนออกพรรษาได้ก่อนออกพรรษาสิบวันหรือว่าคนไา้เจ็บไข้ได้ป่วยคนเฒ่าคนแก่หรือคนเจ็บป่วยไม่แน่ใจในชีวิตว่าชีวิตของตัวจะอยู่ไปได้จนถึงวันออกพรรษาหรือเปล่า ก็ขอถวายผ้ากอดอันนี้ก็ เ, เป็นผ้าจำนำพรรษาเป็นพวกอัจเจกะจีวอแปลว่าจีวดรีบด้วยอย่างนี้นะครับมันก็อขอขอว่าขอข อ, ขอให้ชาวพุทธเราทำความเข้าใจให้ดีเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เาขาจะได้ทำได้ถูกต้อง ถ้าเผื่อยังไม่ถูกต้องหรือว่ายังสงสัยก็ถามท่านผู้รู้ถามท่านผู้รู้แต่ควรจะเป็นคนที่รู้จริงสักหน่อยนะครับไม่ใช่ว่ารู้งูปลาหรือสเปซสปะอะไรไปซึ่งทําให้ไข้เผลแล้วก็เห็นผิดตก อ, อกตกใจกันไปว่าเอาไหยผ้ า, า, าจํำนำรรษาไว้ก่อนเรียกผิดด้วยนะฮะไว้ก่อนรษาแล้วถ้าเผื่อ ออกพรรษาแล้วไม่ได้เอาอะไรไปถวายอีกก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ไปถ่ายของก็จะแปลว่าเอาไปถวายซ้ำามิฉะนั้นก็จะทำมาหากินไม่ขึ้นคาขายไม่ขึ้นพูดกันไปอย่างนั้นคนก็ตกใจกัน เ, เป็นเหตุให้เกิดความไข้ยขวทรับสนไม่ถูกต้อง <c oughs> อันนี้ก็ ก็น่าสงสารเนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็อควรจะทําความเข้าใจกันให้ดีทําความเข้าใจกันเสียใหม่ว่าอะไรเป็นอะไร <c oughs> ในจริงเรื่องพวกนี้มีเรื่องจะคุยกันเยอะนะครับรโดยเว่าสิ่งที่ควรทําความเข้าใจกันเสียใหม่ <c oughs> อผมได้คุยเรื่องเหล่านี้อยู่ทางอสมทร้อยจุดห้าอยู่หลายครั้งกับรายการธรรมะร่วมสมัย ว่าสิ่งที่ควรทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องอะไรที่เราจะพูดอย่างคิดไม่ถูกต้องพูดไม่ถูกต้องทำความเข้าใจกันไม่ถูกต้องก็ทำความเข้าใจกันเสียใหม่อะไรที่ยังไม่รู้ก็ถามท่านผู้รู้ <c oughs> รปรึกษาตำราตำราที่เชื่อถือได้มาอ่านมาอะไรก็จะได้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ผมยังค้างเรื่องปัญญากาถากับท่านอยู่นะครับคราวที่แล้วผมามาจบลงในข้อความที่ว่ า, อ, าอยู่อย่างสงบในยามทุกข์แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีประโยชน์ในยามสุขนั่นคือวิธีชีวิตของคนดีอจะหนักอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรร้ายแรงถ้าเราไม่รู้สึกว่าร้ายแรงอีกตอนหนึ่งนะครับ แล้วก็อีกตอนหนึ่งเราได้พูดไว้ว่าเมื่อเรามีปัญญาแล้วได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วปัญญาก็จะทาหน้าที่ของมันเองเหมือนเอาเชื้อใส่ลงไปในกองไฟเราไม่ต้องขอร้องให้ไฟไหม้เชื้อก็ได้แล้ไฟมันทาหน้าที่ของมันเองมันไหม้เชื้อของมันเองไม่ต้องไปขอร้องไม่ต้องไปวิงวอน ถ้าเรามีปัญญาถูกต้องแล้วปัญญามันจะทําหน้าที่ของมันเองจะวินิจฉัยเองว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้ให้ละเอียดสักหน่อยเหมือนกันนะครับออ <c oughs> ที่ที่กล่าวมาเนี้ย่ะครับที่พูดแันนี้ก็ต้องเป็นสัมมาปัญญาปัญญาที่ถูกต้อง <c oughs> ไม่ใช่มิจฉาปัญญาปัญญาที่ผิด เพราะถ้าเป็นมิจฉาปัญญาก็จะทำให้คนเลวได้มากแล้วก็ทำความชั่วได้มากเช่นเดียวกันคนที่มีภูมิปัญญาสูงนะครับมักจะมีกำลังใจที่แข็งแกร่งด้วยอันนี้โปรดจำไว้ให้ดีนะครับคนที่มีภูมิปัญญาสูงมักจะมีกำลังใจที่แข็งแกร่งด้วยในการเอาชนะ ความชั่วดำเนินอยู่ในทางแห่งความดีในกรณีที่อบรมปัญญานั้นให้เป็นสัมมาปัญญาแล้วชีวิตของบุคคลเช่นนั้นจึงสงบสุขและก็สว่างสวัยรุ่งเรืองกว่าคนธรรมดาตัวอย่างมีตัวอย่างเยอะนะครับ คนที่มีภูมิปัญญาสูงและมีกำลังใจที่แข็งแกร่ง เ, เดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดของท่านมาธรรมะขันธ์ที่นะครับท่านมาธรรมะขันธ์ทีดูเหมือนวันที่สองฮ ว, วันที่สองตุลาเนี่ยท่านมาธรรมะขันธ์ที่ถ้าท่านมีชีวิตอยู่เวลานี้ก็ร้อยสามสิบปีหรือยี่สิบเก้าปีร้อยสมสิบปีเอ่อตั้งแต่ปีที่ท่านเกิดมาจนถึงปีนี้ ด้านท่านเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาสูงแล้วก็มีกำลังใจที่แข็งแกร่งมากอยากที่ใครจะทําให้วันไหวคลอนแคลนในสิ่งที่ท่านตักใจลงไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและต้องทําำชีวิตของคนอย่างนี้่ครับจะเป็นชีวิตที่สงบสุขแล้วก็สว่างสวัยรุ่งเรืองกว่าคนธรรมดา คนพวกนี้เป็นเป็นประเภทดวงดาวนะครับเป็นประเภทดวงดาวคือโคจรไปตามวิถีทางของตนไม่ใช่ประเภทใบ ไ, ไม้ร่วงไม่ใช่เป็นบุคคลประเภทใบ ไ, ไม้ร่วงซึ่งแล้วแต่ลมจะพัดไปลมจะพัดพาไปทีนี้ส่วนคนที่มีภูมิปัญญาตา่ำก็มักจะมีกำลังใจที่อ่อนแอ ส่วนเรไม่สามารถดำเนินชีวิตอย่างมันง่นคงโดยตนเองจึงจะมักมักจะปล่อยตนให้ขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและสุดแล้วในสิ่งแวดล้อมจะชักจูงไปและถ้าเขาได้สิ่งแวดล้อมที่เลวเขาก็จะเอาตัวไม่รอดแล้วก็ โดยทั่วไปนะครับสิ่งแวดล้อมในสังคมมนุษย์เราก็มักจะจูงไปในทางเลวมากกว่าในทางที่ดีมนุษย์ที่มีกำลังใจอ่อนแอรวนเรจึงไม่อาจต้านทานได้เหมือนดินที่พร้อมจะเลวเมื่อถูกน้ำ เ, เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนปัญญาจึงเป็นสิ่งจาเป็นในชีวิตมนุษย์ เพราะว่าปัญญาและการศึกษาเล่าเรียนการได้ยินได้ฟังมากเป็นสิ่งอาศัยกันแล้วก็จะพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าปัญญาสุตะวินิชชีนีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสุตะคือสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะครับแล้วก็สุตังปัญญายวัฒนังสุตตะคือสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง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 ไม่ใช่ทำตนให้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมโดยประการทั้งปวงแต่ว่าควรจะมีแกนหลักทางจิตใจที่มั่นคงอันนี้ภาษาทางวิชาการเรียกว่าสเปริชวลแบ็คโบดสเปริชวลแบ็คโบแปลว่าแกนหลักทางจิตใจที่มั่นคงกระดู ใจใเป็นกระดูกชั้นหลังทางจิตใจที่มั่นคงและวเปลี่ยนแปลงได้ยากไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเพราะภายในส่วนลึกของจิตใจต้องมีสินธรรมต้องมีสติปัญญาที่มั่นคงมีจิตใจที่คงความเป็นมนุษย์ไว้ท <c oughs> ีน่นี้ถ้าเป็นเช่นนี้ แต่แม้สิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไปในทางเร็วก็ก็จะไม่ทำให้คนคนนั้นเป็นคนเร็วตามไปด้วยบางทีทัานสังเกตดูนะครับเวลาเขาจับพวกอาจักกอนได้จับโดยเฉพาะอาจักกอนทางเทศเขาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็อ้างยว่วยวนนุ่งกับโรงสั่นบ้าง ยั่วยวนเขาบ้างอะไรทํานองนั้นก็ทําไมคนอื่นก็จึงไม่ามไม่ใช่ว่าเขาเห็นอยู่คนเดียวคนอื่นก็เห็นอคนที่นุ่งกระโปรงสั้นหรืออะไรก็คนอื่นเขก็เห็นทําไมเขาไม่ทำทําไมเขาไม่สุกค่านาจารย์แต่ทําไมตัวเองจึงทำเพราะว่าตัวเองไม่มีแกนหลักทางจิตใจที่มัน่นคงคอยที่จะอะ เบียงเบนไปตามสิ่งแวดล้อมหรือไปตาม